อันหนึ่งเนื่องด้วยในระบบการพัฒนาชีวิตบนฐานของสภาวะในธรรมชาติมีการจัดกระบวนเป็นศีลจิตปัญญาแต่นักปราชญ์ที่วิจารณ์นั้นมาจากฐานการมองศิลธรรมแบบเทวนิยมเป็นเหตุให้ท่านจับต้นชนปลายไม่ได้ในที่นี้จึงเห็นว่าควรทราบความแตกต่างระหว่างศีลในระบบการพัฒนาชีวิตตามหลักพุทธธรรมที่เป็นสภาวะนิยมกับศีล ตามหลักเทวานิยมรวมถึงเรื่องกรรมความดีความชั่วไว้เป็นพื้นสำหรับทําความเข้าใจดังนี้ 1. ในแนวของสภาวะนิยมศีลเป็นหลักความประพฤติที่กาหนดขึ้นตามเหตุผลของกฎธรรมชาติส่วนในลทัทธิเทวานิยมศีลเป็นเทวองค์การที่กําหนดขึ้นโดยเทวประสงค์ สศีลตามความหมายแบบสภาวะนิยมเป็นหลักการฝึกอบรมตนในการงดเว้นจากความชั่วจึงเรียกศีลที่กำหนดเป็นข้ อ, ขอว่าสิกขาบทคือข้อฝึกหัดส่วนศีลในเทวนิยมเป็นข้อห้ามหรือคำสั่งห้ามจากเบื้องบน 3. แรงจูงใจที่ต้องการในการปฏิบัติศีลแบบสภาวะนิยมได้แก่อาการรตวติศธาคือความมั่นใจในกฎแห่งธรรมดาโดยมีความเข้าใจพื้นฐานพอมองเห็นว่าพฤติกรรมและผลของมันจะต้องเป็นไปตามทางแห่งเหตุปัจจัยส่วนแรงจูงใจที่ต้องการในการปฏิบัติศีลแบบเทวนิยมได้แก่ศรัทธาแบบพักดีคือเชื่อยอมรับและทาตามสิ่งที่กาหนด ว่าเป็นเทวะประสงค์มอบความไว้วางใจให้สิ้นเชิงไม่ต้องถามหาเหตุผล 4. ในสภาวะนิยมการรักษาศีลคือการฝึกตนทางความประพฤติเริ่มแต่มีจตนาที่จะเล่าเว้นความชั่วอย่างนั้นอย่างนั้นจนถึงประพฤติความดีงามต่างๆที่ตรงข้ามกับความชั่วนั้นๆ ส่วนในเทวานิยมการรักษาศีลก็คือการเชื่อฟังและปฏิบัติตามเทวองค์การโดยเคร่งครัดห้าในสภาวะนิยมการประพฤติปฏิบัติในขั้นศีลมีวัตถุประสงค์เฉพาะคือเพื่อเป็นบาดฐานของสมาธิในระบบการพัฒนาคนให้พร้อมและสามารถใช้กําลังงานของจิตให้เป็นบาดฐานของปัญญา ที่จะนำไปสู่ความหลุดพ้นเป็นอิสระส่วนการไปสวรรค์เป็นต้นเป็นเพียงผลพลอยได้ในระหว่างตามธรรมดาของเหตุปัจจัยแต่ในเทวานิยมการประพฤติศีลตามเทวะองค์การเป็นเหตุให้ได้รับความโปรดปรานจากเบื้องบนเป็นการประพฤติถูกต้องตามเทวะประสงค์และเป็นเหตุให้ทรงประทานรางวัลด้วยการส่งไปเกิดในสวรรค์ ในสภาวะนิยมผลดีหรือผลร้ายของการประพฤติหรือไม่ประพฤติศีลเป็นสิ่งที่เป็นไปเองโดยธรรมชาติคือเป็นเรื่องการทำงานอย่างเที่ยงธรรมเป็นกลางของกฎธรรมชาติที่เรียกว่ากฎแห่งกรรมซึ่งให้ผลตั้งต้นแต่ในจิตใจกว้างออกไปถึงบุคลิกภาพและวิถีชีวิตทั่วไปของผู้นั้นไม่ว่าในชาตินี้หรือชาติหน้าส่วนในเทวนิยม ผลดีผลร้ายของการรักษาหรือละเมอศีลเป็นการให้ผลตอบแทนผลดีคือการได้ไปเกิดในสวรรค์เป็นฝ่ายรางวัลส่วนผลร้ายคือไปเกิดในนรกเป็นฝ่ายการลงโทษการจะได้ผลดีหรือผลร้ายนั้นย่อมสุดแต่การพิภาคษาหรือวินิจฉัยโทษของเบื้องบนเจ็ด ในแง่ความเข้าใจเกี่ยวกับความดีความชั่วสภาวานิยมสอนว่าความดีเป็นคุณค่าที่รักษาและส่งเสริมคุณภาพของจิตทำให้จิตใจสะอาดผ่องใสบริสุทธิ์หรือยกระดับให้สูงขึ้นจึงเรียกว่าบุญเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความเจริญงอกงามแก่ชีวิตจิตใจเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นหรืออิสระทั้งทางจิตใจและทางปัญญาเป็นการกระทำที่ฉลาดดำเนินตามวิถีแห่งปัญญา เือแก่สุขภาพจิตจึงเรียกว่ากุศลส่วนความชั่วเป็นสภาพที่ทำให้คุณภาพของจิตเสื่อมเสียหรือทำให้ตกต่มลงจึงเรียกว่าบาปเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความเสื่อมโทรมแก่ชีวิตจิตใจไม่เป็นไปเพื่อความหลุดพ้นเป็นการกระทาที่ไม่ฉลาดไม่เอื้อแก่สุขภาพจิตจึงเรียกว่าอากุศล ส่วนในเทวานิยมความดีความชั่วกำหนดด้วยศรัทธาแบบพักดีต่อองค์เทวะคือถือเอาการเชื่อฟังและปฏิบัติตามเทวะประสงค์และเทวะบัญชาหรือไม่เป็นหลักโดยเฉพาะความชั่วหมายถึงการผิดหรือล่วงละเมิดต่อองค์เทวะในรูปใดรูปหนึ่งข้อที่8ด จากพื้นฐานที่แตกต่างกันนี้ทำให้เกิดความแตกต่างกันต่อไปอีกอย่างน้อยสองประการคือประการแรกศีลในสภาวะนิยมจึงต้องเป็นคําสอนที่ต่อเนื่องกันตามเหตุผลเป็นระบบจริยธรรมเพราะผู้ฝึกจะปฏิบัติได้ถูกต้องต่อเมื่อมีความเข้าใจในระบบและเหตุผลที่เกี่ยวข้องเป็นพื้นฐานด้วยส่วนศีลหรือจริยธรรมในเทวนิยมเป็นประกาศเทวองค์การ หรือคำถแถลงเทวประสงค์เป็นเรื่องๆข้อๆต่างๆกันไปแม้นำมารวบรวมไว้ก็ย่อมเป็นประมวลไม่ใช่ระบบเพราะผู้ปฏิบัติต้องการความเข้าใจอย่างมากก็เฉพาะในความหมายของสิ่งที่จะต้องปฏิบัติเท่านั้นผู้ปฏิบัติตามเทวองค์การไม่จำเป็นต้องเข้าใจในระบบและเหตุผลที่เกี่ยวข้องเพราะถือว่าระบบและเหตุผลต่างๆทั้งปวง อยู่ในพระปรีชาขององค์เทวะหมดสิ้นแล้วอันผู้ปฏิบัติไม่พึงสงสัยเพียงแต่เชื่อฟังมอบความไว้วางใจและปฏิบัติตามเทวะองค์การเท่านั้นเป็นพอประการที่สองศีลหรือระบบจริยธรรมแบบสภาวะนิยมเป็นหลักลกลางๆและเป็นสากลกำหนดด้วยข้อเท็จจริงตามกฎธรรมชาติ หมายถึงสาระถาของศีลในทางธรรมะเกี่ยวด้วยบุญบาปไม่ใช่ในความหมายทางวินัยอันเกี่ยวด้วยการลงโทษในสังคมเช่นพิจารณาผลหรือปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในกระบวนการทำงานของจิตผลต่อพฤติกรรมนิสัยและบุคลิกภาพเป็นต้นจึงไม่อาจวางข้อจำกัดแบ่งแยกให้เป็นผลเฉพาะพวกเฉพาะกลุ่มหรือตามแต่พอใจเช่นไม่จากัดว่า คนศาสนานี้เท่านั้นมีการุณาจึงเป็นคนดีคนศาสนาอื่นมีกรุณาก็เป็นคนดีไม่ได้ฆ่าคนศาสนานี้เท่านั้นเป็นบาปฆ่าคนศาสนาอื่นไม่บาปคนศาสนานี้เท่านั้นให้ทานไปสวรรค์ได้คนศาสนาอื่นประพฤติอย่างไรไม่เชื่อฉันเสยอย่างเดียวตกนาโรคหมดฆ่าสัตว์รวมทั้งที่ไม่เป็นอาหารไม่บาปเพราะสัตว์เป็นอาหารของคน แต่กลับไม่คิดว่าคนเป็นอาหารของเสือและสิงโตก็ได้เช่นกันดังนี้เป็นต้นจะจํากัดแบ่งแยกได้เช่นว่าบาปมากบาปน้อยเป็นต้นอย่างไรก็เป็นไปโดยข้อเท็จจริงตามกฎธรรมชาติเช่นผลและปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในกระบวนการทํางานของจิตเป็นต้นดังกล่าวแล้วส่วนในเทวานิยม หลักเหล่านี้ย่อมกำหนดให้จำกัดหรือขยายอย่างไรก็ได้ตามเทวะประสงค์ดุดเป็นนิติบัญญัติเพราะองค์เทวะทรงเป็นทั้งผู้ตรากฎหมายและผู้พิพากษาเองหมายเหตุทิ้งท้ายจะข้อที่8ในเรื่องท่าทีต่ออาหารที่เป็นอย่างถึงธรรมชาติแท้คือยอมรับความจริงว่าเพราะยังเดินทางไม่ถึงจุดหมาย รอจริงจำต้องทำสิ่งที่เราเองก็ไม่ปรารถนาแต่ไม่มีทางเลือกอย่างอื่นโดยให้นึกถึงอาหารที่กินนั้นเหมือนกับพ่อแม่จำใจกินเนื้อจากศพลูกของตนระหว่างเดินทางกันดานข้อที่9เนื่องจากศีลเป็นหลักกลางๆ ก, กำหนดด้วยข้อเท็จจริงตามกฎธรรมชาติเช่นนี้ผู้ปฏิบัติ จึงต้องเป็นผู้กล้ายอมรับและกล้าเผชิญหน้าความจริงความดีชั่วถูกผิดมีอยู่เป็นข้อเท็จจริงอย่างไรก็ต้องกล้ายอมรับความเป็นจริงตามที่เป็นเช่นนั้นส่วนตนจะปฏิบัติหรือไม่แค่ไหนเพียงไรก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งและต้องกล้ายอมรับการที่ตนปฏิบัติ ด, ดีไม่ดีตามข้อเท็จจริงนั้นมิใช่ถือว่าไม่ชั่วเพราะตัวอยากทาสิ่งนั้นข้อเท็จจริงตามธรรมชาติ มีได้ขึ้นต่อการวัดด้วยการอยากทำหรือไม่ของตนถ้ามีอันถึงกับจะทำกรรมที่ให้ตกนรกสักอย่างหนึ่งการที่ยอมรับพูดกับตนเองว่ากรรมนั้นไม่ดีแต่ตนยอมเสียสละตกนรกยังดีกว่าหลอกตัวเองว่ากรรมนั้นไม่เป็นกรรมชั่ว ต่อไปนี้อาจถือว่าเป็นข้อดีหรือข้อได้เปรียบของศีลแบบเทวะองค์การคือหนึ่งตัดการพิจารณาเรื่องถูกผิดจริงไม่จริงออกเสียกล่าวได้ว่าเมื่อเชื่อแล้วศรัทธารวนแบบพักดีย่อมได้ผลในทางปฏิบัติที่รวดเร็วเร่งเร้าและรุนแรงกว่าแต่ก็มีข้อที่จะเป็นปัญหาเช่นโดยเฉพาะในยุคแห่งเหตุผลคงยากขึ้นในแง่ว่า ทำอย่างไรจะให้เชื่อได้ปัญหาในระยะยาวเกี่ยวกับความปลอดภัยในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นที่ไม่ศรัทธาเหมือนตนปัญหาเรื่องความมั่นคงของศรัทธานั้นและการไม่มีโอกาสเข้าถึงอิสรภาพทางปัญญา 2. ส, สามัญชนทั่วไป เข้าถึงความหมายของศีลแบบศรัทธาล้วนได้ง่ายกว่าและศีลแบบนี้ก็ควบคุมความประพฤติของคนสามัญได้ดีแม้ในหมู่ชาวพุทธไม่น้อยความเข้าใจเรื่องศีลเรื่องบุญบาปก็ยังมีส่วนที่คล้ายกับลทัทธิเทวนิยมแฝงอยู่เช่นเห็นศีลเป็นข้อห้ามแต่รางเลือนว่าใครเป็นผู้ห้ามไม่นึกชัดลงไปอย่างเทวนิยมที่ว่าองค์เทวะห้าม เห็นผลของบุญบาปเป็นอย่างผลตอบแทนเป็นรางวัลหรือการลงโทษเป็นต้นแต่ปัญหาก็ขึ้นกับศรัทธา 3. การบัญญัติกรรมไม่ดีบางอย่างที่คิดว่ายัางจำเป็นต้องทำเพื่อผลประโยชน์บางอย่างของตนให้เป็นกรรมที่ไม่ผิดไปเสียจัดเป็นวิธีจูงใจตัวเองได้อย่างหนึ่ง ซึ่งตามหลักเหตุปัจจัยก็ยอมรับได้ว่าวิธีจูงใจตนเองนั้นเป็นสิ่งที่ได้ผลมากอย่างหนึ่งเพราะเป็นเหตุปัจจัยอีกอย่างหนึ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องเพิ่มขึ้นในเรื่องนั้นๆเช่นบัญญัติว่าฆ่าสัตว์ไม่บาปก็ทาให้เบาใจและไม่รู้สึกสะกิดสะดุดใจในการฆ่าสัตว์แต่การจูงใจแบบนี้ทาให้เกิดผลร้ายในด้านอื่นดีไปได้ไม่ตลอดกระบวน และไม่เป็นวิถีทางแห่งปัญญามนุษย์ที่จะพัฒนาต้องเป็นอยู่ด้วยการรับรู้ความเป็นจริงจากแจ้งในทุกขั้นทุกตอนให้รู้จักเลือกตัดสินใจด้วยตนเองเราอาจจะสอนให้ใช้วิธีจูงใจตนเองได้บ้างแต่เรื่องที่ใช้จูงใจนั้นต้องไม่มีแง่เสียหายและใช้เฉพาะในกรณีที่ช่วยเป็นพลังในการทาความดีอย่างอื่นให้ได้ผลยิ่งขึ้น